กับวิปัสสนาญาณข้อที่9คือสัจจานุโลมิกญาณแต่พูดอย่างกว้างกว้างวิสุทธิข้อนี้ได้แก่วิปัสสนาญาณ9ก้านั่นเองคือนับตั้งแต่อุทพยญาณยาที่พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสแล้วเป็นต้นไปจนสุดทางแห่งความเป็นปูทุชนโดยสุดวิปัสสนา วิปัสนาญาณ9ก้ามีดังนี้ 1. อุทยพยานุปัสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทยพย า, ยานญาณอันตามเห็นความเกิดดับคือพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญสขันจนเห็นปัจจุบันธรรมที่กำลังเกิดขึ้นและดับสลายไปสลายไปชัดเจน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 หรือผู้รู้ที่เกิดขึ้นและทั้งรูปธรรมและนามธรรมและตัวรู้นั้นก็ดับไปพร้อมกันทั้งหมดเป็นความรู้เห็นชัดแก่กล้าที่เรียกพลวะวิปัสนาทำให้ละนิจสัญญาสุขสัญญาและอัตตาสัญญาได้ 2. พังคานุปสัญนาญาณ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 ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นสอาธินวานุปัสนาญาณเรียกสั้นว่าอาธินวญาณญาณอันคำหนึ่งเห็นโทษคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงล้วนต้องแตกสลายไปเป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมคาหนึ่งเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่มีความบกพร่องจะ ต, ต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์5นิพพานุปัสสนาญาณเรียกสั้นว่านิพพายานญาณอันคาหนึ่งเห็นด้วยความนาย คือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นโทษเช่นนั้นแล้วยอมเกิดความน่ายไม่เพลิดเพลินติดใจอมุนจิตุ ก, กรรมมยตาญาณญาณอย่างรู้ที่ทำให้ต้องการจะพ้นไปเสียคือเมื่อน่ายสังขารทั้งหลายแล้วยอมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น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 ไม่ขัดใจติดใจในสังขารทั้งหลายแต่นั้นก็มองเห็นนิพพานเป็นสันติบทยานจึงโน้มน้อมที่จะมุ่งลั่นไปยังนิพพานเลิกละความเกี่ยวกะกับสังขารทั้งหลายยานข้อนี้จัดเป็นสิกขาปะปัตตาวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่ถึงจุดสุดยอด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 คือเมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายไม่พวงและญาณก็โน้มน้อมแลนมุ่งตรงสู่นิพพานแล้วญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู้อริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณต่อจากอนุโลมญาณก็จะเกิดโคตรภูญาณมาขั้นกลาง โคตรภูยานยานครอบโครคือยานที่เป็นหัวต่อระหว่างภาวะบุทุชนกับภาวะอริยบุคคลต่อจากอนุโลมยานก็จะเกิดโคตรภูยานมาขั้นกลางแล้วจึงเกิดมัคคยานให้สำเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไปโคตรภูยานนี้ ท่านว่าอยู่ระหว่างกลางไม่จัดเข้าในวิสุทธิข้อใดแต่ให้นับเป็นวิปัสนาได้เพราะอยู่ในกระแสของวิปัสนาวิสุทธิข้อสุดท้ายซึ่งอยู่ในกลุ่มปหาหนาปริญญา ญาณทัศน์นวิสุทธิความหมวดจดแห่งญาณทัศนะคือความรู้ในอาาริยมรรคสี่หรือมรรคญาณ น, นั่นเองซึ่งเกิดถัดจากโคตรภูยานเมื่อมรรคญาณเกิดแล้วผลละญาณก็เกิดขึ้นในลำดับถัดไปจากมรรคญาณ น, นั้นๆตามลำดับของแต่ละขั้นของความเป็นอริยบุคคล ความเป็นอริยะบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุท ธ, ธิข้อนี้เป็นอันบรรลุที่หมายสูงสุดแห่งวิสุท ธ, ธิหรือตรายสิกขาหรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมดถัดจากการบรรลุมรรคผลด้วยมรคยานและผลญาณแล้วก็จะเกิดญาณอีกอย่างหนึ่งขึ้นพิจารณามรรคผลพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วกิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ และพิจารณานิพานเว้นพระอรหันต์ซึ่งไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่เรียกชื่อว่าปัญจเวคขณะยานเป็นอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพานในขั้นหนึ่งหนึ่ง สำหรับยานต่างๆซึ่งในหนังสือมีเลขกำกับอยู่ในวงเล็บข้างหลังนั้นพึงทราบว่าได้แก่ยานที่ในสมัยหลังๆได้มีการนับรวมเข้าเป็นชุดเรียกว่ายาน16หรือโซรัสายานหรือโซรถยานอันเป็นที่รู้จักกันดีในวงการบำเพ็ญวิปัสสนาโดยเฉพาะใช้ในการตรวจสอบที่เรียกว่าลำดับยานและพึงทราบว่า ในยานสิบหนี้เฉพาะมัคคยานและผลละยานสองอย่างเท่านั้นเป็นยานขั้นโลกุตระส่วนที่เหลือนอกนั้นเป็นยานขั้นโล ก, กีทั้งสิน้นอันหนึ่งเพิงสังเกตว่าวิปัสสนาญาณเก้านั้นคำภีอภิธรรมมัทรรสังหะนับรวมสมัสนญาณเข้าในชุดด้วยจึงเป็นวิปัสสนาญาณสิบ